ได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย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 ที่ข้าพะเจ้าแผ่ไปให้นี้โดยท่วนทั ว, ท, ท, วทุกตัวสัตเทินสาธุสาสาอนโมทามิ